วัตถุหยากหยาบมันก็เห็นชัดเนี่ยเด็กเป็นจัดเป็นคนมันเห็นไหมครับที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงมันมากต่อมากนะนี่บินยานดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจเจ้าอำนาจอย่านั้นทั้งนั้นเพราะมันถึงไม่พ้นจักการท่องเที่ยววกเวียน อันนี้พาให้เดินไปอันนี้วัตถจิตคือพาจิตให้หมุนวัตถจิตวัตถจักเหมือนกงจักมันหมุนไปพอพอเชื้อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดระจับใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ ยศหวบลงรอา ส, สินเลยนะเพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณนะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันหมดมันเพงจะตื่นอะไร สื่อเราเนี่ยก็ว่าว่าแล้ว่าว่ามีมีเ่านะไปพูดเองนะคิดดวงนี้เราไปพาดถิงกันปะละอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวอันนี้สีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนั้นยาวอันี้สั้นอันนั้นดำสีขาวอะไรว่ามีแต่เจ้าคเจ้าขนองเนี่ยมันไปกว่าดไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งเหลนี้เพินกับสิ่งเหล่านี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาว มันไปวาดเองของมันนะแหละมันก็อยู่กับสิ่งอย่างนีนะ้คืออยู่กับภาพกัวของที่วาดสิ่งนี้นะธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้นหละแต่ตัวนี้เขาไปวาเดเราเองก็ตื่นอารมณ์อยู่ของมนี่แหละสาคัญตื่นอารมณ์อยู่ของเออเออถ้าตามได้ที่มันยังไม่ยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น เชิญอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะของเราไปวาดภาพออกธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรแหละเขาไม่รู้เห็นเราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แตง่งผู้ทั้งผู้แตง่งผู้ทั้ ง, งขัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงควารขันหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วลยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานะั่นเล่น ก, กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นแหละจะเป็นอะไรไปเหนเราปื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่น พอมันรอกผนยี้ยมันไม่ตื่นนเมื่อมันไม่ตื่นเนี่ยมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ก็ทรานนบออาเดียวว่าอันนี้มันแยกออกไปว่ามีนถ้าอันนี้ไม่แยกอะไรจะมีมันมอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นทัดทัดกันอย่างนั้นถ้ามีนี่ ม, มีก็คืออันนี้ยักออกไปแยออกไปแยออกไปถ้าอันนี้ไม่มี มันเยบมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้างที่สิ่งนั้นก็มีตามเราธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทแต่ยก็ดูที่ร่างกายของเรามีหรือไม่มีแล้วจะว่าสิ่ฐานบ้านเดือนอะไรต่ออะไรที่นอกประจากกายนี้เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่นะรับทราบสิ่งองนี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าระวั ง, งความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิท ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชางจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้ดับสนิทนะคำว่าฝันนั้นรับสคิอต้องไม่ฝันนั่นแหละที่หลดักที่เพราะอะไรมีตอนนั้น่า หลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็ดับได้ใครเหรความไม่มีอะไรเขาไปยุ่งไปเกี่ยวนี่ที่ดดนเราหลับในคืนในคืนหนึ่งอะเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขนาดที่หลับไม่ทราบนี่นี่มันดับหมดทุกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมาณทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรอะไรก็าตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลย ตายมดผมก็เคยพูดแล้วมัง้งรู้ในหนังสือคนเคยพูดว่าคนที่คนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าคนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพนธ์นตอนที่หลับทัิดนั่นแหละคนมีกิเลสอันนี้พานของคนมีกิเลสก็คือตอนหลับทันิดนั่นแหละ พอเทียบพอพอเป็นเครงเทียบได้ดนี้พานคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหลับสนนี้ไม่มีอะไรหละคืออวิชาก็ไม่ไม่ได้เสร็จสรรปันเดลกันในเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสร็จกันเลยเนียบะลรอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอ่ะทีนี้ ที่เขาหาได้ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อที่เงียบทั้งก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่ละเอียดที่เหนือสมมติโดยประการทั้งพวงก็เป็นอย่างนั้นแสิ่งที่ยิ้มแย้มเหมือนอะไรหิ่หยห้อย น, ะนั่นนัก็เป็นเรื่องของท่าของขันเป็นอีกเรื่องหนึงพอา ธาขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ทึ่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลื อ, อปริิผ่านลแล้วนะ อ, ลอันนี้ไม่มีอะไรพาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระ อ, อนุทะตามเสด็ดดจผูิจ้านในขณะที่จะปริญผ่านจนกระทั่งปริิผพานแล้นะนั่นแหละก็ดูเอางานในประวัติมีในนั้นตำหลักตำลามีม พระนุธาตึงในทางเตื อ, อโตโวปิญญาหรือปราชญาวิชารู้วารจิตรูรร้จิตคนอืน่นพระพุทธเจ้าจะบปนิพพานเมื่อเส็จเข้าสู่ปฐมฌานเรือเ่อยไปละปฐมานม่เีย ร, รานแต่เียฌานแต่ปียรฌาน ท่านสี่นี้เป็นรูปประชานแล้วก็ก้าเข้าไปถึงอากาสารานใจยุตนาวิญญาณานใจยุตนาอัจฉริยะยุตนาเนสัญญา INTER นาสัญญายุตนานี่เป็นอาลูปประชานสีนี่กลิ้งก้าเข้าไปกล้าเข้าไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนไหนพระอนุชารู้หมดรู้หมดรูหมดดูจนกระทังถ้าสัญญาเวทายุตานิโรธดับสัญญาได้เวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั่นแล้วก็พระ งหลังเสงสัยมัมีพระอุบาลีเป็นต้นเรอสงสยัยถามพระนุทา ว, า, วานี่ไม่ใช่พระพุธม่ช่พระพุทธเจ้าปีิภาณนัวนหลือตั้งถ้าก็ตอบทันทีบอกว่ายางหนักฟังินไ้มนี้เขาประทับอยู่ที่ขัญญาเวทายุการ น, นิโรธน่ะเพราะผู้ดูดูอยู่ในแขนนี่นี่นั่นอ่ะพาะจิตที่บริสุทธิ์นันดูสิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระนท้าเห็นได้อย่างไหนัะเอายันกันตรงนี้สิ พระนุทพรก็เป็นพระหารแต่เจ่ทางปรัชญาวิชาตามเสด็จตามพระกิตทัทงพระเจ้าตามเสด็จในเวลาเข้าฌานเลื่ อ, อ ย, ยพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาอุตส่าหยิ่งใหเรื่ อ, อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตทำบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่ก้าเขาอีกพอะก้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบ แะตุตฌานซึ่งเป็นรูปฌานสีแล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอารูปเอาผ่านจากรูปฌานสีแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌานสีเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติด้วยกันภาจิตที่เป็นมิมุติเขาผ่านออกกรงกลางเมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรพาคพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู้นไปอยู่ที่นู้นที่นี่ไปพาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นนไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่พาดพิงอันนี้มีมีสมมุติพาดพิงมันอยูี่ รูประชาญรูปประชาญเป็นมสมมติชั้นาเวททยไต้รลิก็เป็นสมมุตรริถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมุติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันพอออกสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้นั่นหะยิดตรงนั้นแหละหยิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่น เ, นเวลามันมีอะไรภาคทีนแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์หมายล่ะฟังสิอยู่ในนี่มีสิ่งที่พลาดทินนี้ก็พูดได้ว่าจิตพระจิตของพระเจ้าเวลานี้ เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นน่ะถ้ากิจที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดถ้ามีสมมุติเป็นเชื่องพาดพิงกันขอให้พูดพอออกอางนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี้ปริพันธ์แล้วเท่านานนะชาติผู้รู้นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดไดเ้เต็มปากเลยพระาหันเป็นผู้จะอุปาจิเตสนิพาน หยุเป็นมิพานขั้นก็ยังมีท่ามีขันอยู่ผู้เด็เมปากเรื่องที่กลางมาเหล่านี้เป็นเรื่องสสดนร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะออืไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาดการเอื้องการตะเกียบตะกายของผู้ปฏิบัตินะทําเป็นสวัสดิธทาําจัดไว้เพื่อเพื่อพวกพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่แต่เพื่อใคร วัว ข, ข้าทำตแต่ได้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติก็ดำเนินให้ชอบเถิดจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่คุณึงได้รับพระพุทธเจ้าทแท้ๆผู้จัดไว้ผู้สอนไว้และอี้บอกทีนั่นนี่นีน่บูมันบากเลยโอเนากยิองหนุหน่มเมือจิน่มอายุน่เชี่ยวมันถึงน้องไปกินเชี่ยวมอ้วน พระนุท่าพระ น, นเหมันเป็นเชื่อกษะัตว์ในวงกระัตว์เจด้านนั่นเลยเออออกออกบวชทั้งหมดเลยเป็นพระรามด้วยองในในังือเรื่อสศิลป์ภาษาญีุ่่นมันด อะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเ็คนล้วเป็นลูกชายของนางมนั้นนี่นอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดาใจะว่าถ้าะะเป็นพระสารหมดเลยสัมมาออกบวชนี่เป็นพระสารหม ด, ด้วยไหนลืมๆ ม, มาตรงนี้พระเรวตะก็ใช่อุคงไหนบ้างน้าที่เป็นน้องของพระายุพระเรวตะก็ใช่พระเรวตะตังท่าอบอยู่ในป่านเขา แล้วปฏิหารเป็นะพระเดวตาม่มีปภิหารตึงวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงหวนหมู่ก้นเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาตนด้วยข้าเกี่ยวเรื่องภาว น, นาแล้วไม่ใช่ขี้เกียรเรื่องงานทั้งหลาย แต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะมาเถื่อฉะนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจ น, นเรื่องดุ่งของการสร้างนั่งสไม่เอาเอาแต่อันนี้เวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งนาถังจารเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำตรัสดิฐานเราที่ตั้งเอาไว้ และออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเนี่ยเรื่อยเลยืเล่อ ย, ยในป่ากับปา่ปาจริงๆในเขากับเขายริงๆสู้จริงๆเพราะงั้นมันถึงไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่ที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าของเขา มันทําให้เราถึงคุณค่าของสิ่ ง, งนี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะอไร ล, ลืมพระเนตรบูชาต้นโพนมันวิ่งถึงกันในะเรื่องนั้นกนะ็ต้เห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณ ข, ณ อ, ของต้นโพอ่าเมเจ็ดถ้าตั้งเจ็ดอาทิตย์แล้วแหแล้วเจดวันเจ็ดวั น, นผมก็ลืมๆด้วยนะภาวะในพุทธวัด ถ้ามีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานนนัะเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษานของเราก็าเรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกระตันยูขึ้นมาแสดงกระตันยูขึ้นมาประถกต้นโพที่พุทธิราชตรัสารุนทั้งนี้อาหารชนิดใดที่ที่เราเคยกบเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นลอดตายมานั้น นีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้ชินนะมันนักเป็นสะดุดกึกสะดุดกึศล่ะพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระดนกระเด็อผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดสะดุดนะมันเหมือนก็นเป็นคู่มิคู่จะหายคู่พึ่งเป็นพึ่งตายาแต่มาแต่ก่อนมันเป็ น, ม, นมันไนม่ได้ชินนลยอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ชินและผักอะไรเขาด้วย โหระพาละเพลออะไรหอมๆนั่นนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ําซับน้ําคำพผกนี่มีแต่มันเป็นเป็นเถาวันมันมันไม่ใช่เป็นต้นมะ ม, น ม, นนมันเป็นเป็นเถาเกิด อ, อยู่ตามอะตามน้ำซับตามน้นำำําซับน้ําคำเขาเรียกําให้โยมหล่ะเขาไปเด็ดมากินวันน่ะยอดสองยอดเลื่อย ถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็้ห้เขาไปเด็ดมากินถ้าเราอยู่นะมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็ ม, มีมันมีน้ำเพราะพักมาทารอยู่ที่ไหนต้องมีน้ําไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทําลีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำลีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักหูกินไั้งหมดบ้าตัวนี้กินทั้งหมด่ะกินอย่างแตกฉาน แล้วไปกินอยู่ในป่าก็ผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในปา่าองค์หนึ่งรูอย่างหนึ่งองค์หนึ่งรูอย่างหนึ่งรูผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรูอย่างหนึ่งองค์หนึ่งรูอย่างห่พรเอามากินนะ่พะพมเคยพบกับเพื่อนกระปุงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นทํา น, นานกินผักอันนั้นองค์นี้ทำนานผักอันนั้นอันนั้นองค์นั้นทํานานผักนั้นทีนี่หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันลลหลายครั้งหลายหนมันก็จําได้ใช่ไมันก็กว้างขวางไปเองมีเวลา ทู้วันนี้ผักเหล่านั้ น, น่ะมันมาผ่านหนึ่งมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่ฉินนะเหมนผักกระโดนอย่างนี้เหมือนกันยัางผังกขินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหเราพาลราไปมันอยู่ตามน้มซ้ำน้ำขำแล้วก็หนอ่อหน่อไม้อยู่ในป่า ก, กินแต่หน่อไม้นะคถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สําคัญที่ผักเนี่ย วินทบาท ก, ก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ั้นแค้กันดารไม่ใค่อย่างนั้นนะ่ะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากยุ่งมากอาหารการเมือโผคมากเขากวัมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนมายุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีล่ะอืม นั่งนั้นอย่งไปหาบ้านเล็ก ๆ, ๆน้อยๆสามสี่หลังคาเรือนบ้างเก้าหลังจุดหลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นเาถ้าเราไม่ฉันกีวันนี้ก็ไม่ได้พบคน่ะพบแต่เ่าคนเดียวนี่เขาก็ไม่มามาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับผ้าด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่อยู่สบายนั่นแหละที่เรียกฟัดกับพิเดททั้งวันทั้งคืน เห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีกาวันกินคืนกลางวัน่กินมาีิกันแน่วพราะทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คร่่งตัวถ้าเ้าอดอาหารนะมันช่วยกันจริงนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันแต่ว่านิสัยอยากอะไรก็แล้วแต่ เรื่องอาหารนีสําคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจะมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าออาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนี่นะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะนถ้าชันอิ่มแล้วนะโอ้โหที่เกียดก็มากนอนก็เต็มราคาตันหาก็มักเกิดได้ระวังอันนี้เหล่ามากนะที่พลาดถามเวลามันคึกขนองมันเป็นนั้งมันนะ เราไม่ ไ, ไปคึกขนองกับมันไม่ไปนสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องท่าตุขันธ์เป็นเรืเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้อาหารดีๆตามสมุมนิยโยมเรื่อยๆพวกคัดผัดมันๆ น, นี่โอ้ยเก่งมากนะในระวังผมไม่ได้กินนะถึงแบบไปในเมืองในนาที่ไหนจำเป็ น, นก็คิดกินนิดๆแต่ระวังขนาดนั้นนะ่ะอาหารสัรพปายะอาหารเป็นที่สบายนั่นในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างๆไม่ได้สบายเพื่อราคาตัาหาเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี่นะ อาหารศสัต ป, ปาย r คืออาหารเป็ที่สบายในการภาวนากินนะธาตุขันก็ไม่กำเริบ ก, การภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุดอะหะาหาระสัต p a i s ท่านมาเอาอย่างนั้นไปพราะงัาา้นจึงต้องระมัดระวังอ้ยกินแบบนักโทษนั่นแะคุณง่ายแล้วยังไม่ลืมท่านเจ้าคุณพรมูนีวัดนราธาพูดเออท่านพูดแปรนะคือท่านท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟั ง, งนี่นะ ท่านสนใจพาวนาตลอดนี่ท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพวันนี้ก็มันไม่ได้ไม่ได้ชันอาหารกรุงเทพร้อยเปอเซ็นนะท่านอาจารย์วางเงินนะ่ะทํำไมมันไม่ได้ชั้นร้อเปอร์เซ็นหรอวะโอ้คับถ้าฉันพวกอาหารประเทศโลกโลกนั้นมันไม่ได้นวาวะแกวันนี้ก็บราคามันก็สแสดงมันกรนะดับท่านวางเงนนะ่ะคือมันเสริม่ะต้องได้นำมาตรกางฉันของแห้งๆอย่างนี้ยางนนะั้นแหละท่านวะ ยืนในกรุงเทพก็จริงท่านวางนั่นนะยิบเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้ฉันอะไเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็วางั่นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทําไม่ชอบนี่สิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่างเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นเป็นประจําทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กๆน้อยๆไปั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่ดิดเพราะมมีอะไรเสริมมัน ถ้าตุขันไม่เสริมมันทันว่านั่นผมเฮ้ยท่านพูดหน้าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดจวงกับความจริงทําไมจะไม่ยอมรับกันเออข้าทีนั่นพูดนี่เพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงๆในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยาก ยังกระทั่งบ้นสามันเท่าไรบ้านานั้นเนี้ยหกคิวเจ็ดดวงไปแล้วลอย่งเนี้ยยังได้ขวอยก็เป็นจังหวะคือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละถ้าขันไม่คก็จะดูดดื่มกับอาหารอะไรนักแล้วนะอายุสามสิหกสามสิบเจ็ดไปแล้วนะอนั่นก็ฉันแบบก็ไม่มันดึงไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไร เดีไม่มีอะไรชั้นสบายแนละ้วจากนั้นมากระเสริมมันกันะเสริมคาดขันเพรันไม่อยากจะไม่อยากจะครบจะชั้นอะไรต้องได้เสริมส่งเสริมเช่นนมนย่านี่แต่ก่อนผมผมไม่แตะเลยนะนมกระเดียนหนังสืออยู่มันก็เป็นน้าจะเห็นแก่เรื่องแปากไม่ได้นะมันต้องได้อ่ะมองดูทำอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอา ถ้าเห็นหนะ้ามันเป็นค่าติึต่อทำแล้วต้องเลยบังคับกันใช่ี้ือเปล่าขนาดะี้มันเป็นเหมือนนักโทษน่าบะการฝึกจดทรมานเจ้าของนี่เหมือนนักโทษดีนี่นี่เคยทํามาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยนะเราเคยทํามาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิก็อยู่ในป่าในเขาเลี่ยอยู่เงียบอืแหมมันมันสงัดจริงจริงนะปรากฏ ว, ว่าใจตรงนี้นะ มันเหมือนมันครอบโลกกับท Same, ่าความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตท <ometimes moon am orange> ั้าปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่กับความรู้จะของนี่ปรากฏว่านั่นฟังดิแล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ดกับความรู้คือความรู้นี่มันเด่นขนาดนั้นอ่ะมันกังวานอยู่กับความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบแบบพัฒนากาพูดไม่ถูก อยู่คนเดียวยงั้นอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวัยที่พูดมันถึงเรื่องเงียบ เ, เนียเงียบขนาดนั้นอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันได้เห็นทัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็ หมองกใจทํางาน่ะ ต, ตุกตับตุกตับตุกตับก็บฟังกันอยู่เพื่พอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปแล้วไม่หายเงียบไปเลยไอ้ตุกตับต่างหาหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกาย ก, ายก็หายไปตามกันเลยน่ะถึงบาระมันหายมันหา ย, ยางั้นนะจิตไม่รู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทังต่ํารู้ยังไงเจะไงมันปฏิเสธไม่ได้นะคำวมารู้นะ หากม้ในกำหนดกฎเจนว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับ ร, กร่างกายือไม่ร่างกายนี่พูดถึงเวลาพุดทรมานจต่ของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่าเนี่ข้าวปเปล่าไม่ต้องพูดแหรอมันจนชินเรื่องฉันข้าวปเปล่าเนี่ย มันชินว่าชินปลาของเบางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ําพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียทว่าไงเขาไม่มีใครตามมาหนิเขาจะตามมาอะไรเราก็เราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตำน้ํำพริกให้สักห่อนมาน้ําพริกถ้ามีแต่พริกล้วนเราก็ฉันได้ทีนี้มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทําปลาดิบมันก็ะชินไม่ได้เสีย บาทีผมยังกบกันผมไม่ลืมนะครูเท่าเห็นเจตนาของแกเขามาลนเท่าบานมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางตะดนสินภูเขาเขาเลือกถ้าพระอะไรนะเป็นอย่านั้นพวกหมูพวกแกงนีอยู่เยอะนะถ้าถ้วอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอก แล้วกเวลาตอนบินบัตก็บ้านเป็นบ้านน้อย 4-5 หลังคาเดือนบินธบาตมาแตกโนนก็อด้วยประมาณทัก3กิโกว้างคงไม่ถึง4กิโลล่ะเรากะกะดูกะอายุเฉยน่มาบาบินธบัแล้วผู้เท่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณทักสัก40กว่านี่แหละ แกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะแล้วบินระบานบ้านแกดีสุดทัทง้งทั้งทั้งออกมาแล้วบินระบาดในในนั้กี่ห้าหลังนะอย่างกี่หลังอะไรพอไปสุดหลังบ้า น, นแล้วก็กลับมาพ่อมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านปิดสุดสุ ด, ส ด, สดท้ายเยอะหายได้อะไรแน่ล่ะค่อยด้ผมบอกได้ในข้อมูลฉันได้บอได้บ้าง บ, บ, บ้างบาทด้วยบ้าขอดูบาทเขามาปวดดูบาทโอ้ยโปรแดงจะเนี้ยสินพวกเราลองกล้าขื่อนเดีวโอ้ยโปรแดงจะเนี่ยจะเข่าสินห้ยแล้วเดินยิ้มวดลอตรงนั้นนะขนาดสิน nah, ล nah. ่อทุกคเดียวเขาไปบอกเขาเงื่อนถอนกบโป๊าอ้าวแล้วแลนีขก็ขี่จุก้อยตัเด้นอาหานาเอานี่มาถงบอกปุ๊ป้าป้าไเถ้าบังคำไ้แล้วคือ เอพิกมาตําแล้วก็เอาประแดกมะตําต้องกันนั่นที่เอาเร่อยเร่อบ่มบมบุ่มบมบัมกวาดเรื่รก็แกันเล้เราเขากงเงินเขาตขาโขักรปนไปว่าตักเอาก็ลาอยู่บ้านเขามาสั่งไม้น่ะหึเขาท่านี่เป็นบ้านเพื่อนยังเขาห้เขาให้กระตับเราเยอเห็นมือเขาทำเอาเอาเวลามะตํมเล้วเนี่ยเอาเร่เรนาาดบุมบับกวายกันบุ่มกัปุ่ตอต่อเห็นเล้าวบ้ั่าขล้มาใส่บานรอ๋ ตอนแรกถนัดนึกแผมก็ยืนเป็นมารยาทตอนขั้นอันว่างเลยเอาเข้าใจคนเล่มันบรืมอนะมาเรื่องที่ีมาเปิดดูบายบางนะเเขากเลบุญหลายีถึงถึงเราบริชันในต่างเพราะเกติหน้าสาคัญอยู่มากนะเราก็ถึงใจเรานี่นะในชันไม่ันไม่สาคัญยิงก็ความถึงใจที่จะมีเกตหน้าอยากให้พระเจ้าประโงได้สั่นี่เนาะพระเจ้าประงได้สัน แต่ก็บูรู้เรื่องใว่ว่าไงเข้าไปถึงฐานอะไร้ออกก็เปลือเบื้องหลังก็เขาเขีนอยู่้วื่อยเปลยอเดียวๆจะลากขีดต่ำไว้ดีอเรื่อยต่ำขีดทีนี้เขาจะทํามุกเองก็ไ่ได้เขาไม่ได้หนีอ่เงี้ยอันตัวถ้าอันตัวประกาศสมมตประกาศว่างไงสมมตประกาศชุกเองท่ามังเองประกาศกระชุก อันตูทะอันตูประกาศสมาประกาศให้ทุปเองอันตูทักเจ้าว่าทายในอันตูประกาศให้ทุปภพ้หน้าให้สม่าประกาศให้ท่าให้ทุปเองเขาอย่หน้าสามข่อยนี่อยู่บังคับยืนเด็กพอให้ท่านท่านให้เก็บนี่กับประยัผู้ดีให้เก็บฟืนของกับประยัผู้ดีที่ควนพระบุกข่วนเอาฟืนของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันตูประกาศ อันไว้ภายในอันตัววุธะตัวประกาศสารประกาอันชุกอยภายในหูต่มภายในสมา่์ประกาเฮ็ดเองทั้งสามยาในหามทัหาห้องทีเฮ็ดไดไรห้องที่เฮ็ดุกเองก็ผีได้เเาสนใจแล้ว <c ười> นี่ครบครัๆๆนห ม, นมออยน้่นะน้น้ำดงเต่าหางีน้ำขึ้ หลุดๆในน้ํา้ปูนก็มันน้ำปูนบ่กลางไปขุดให้ย่อมเขาขุดนะให้เป็นร่องเขาล่งตักใส่ในกลางห่วยมันมีขุดลงไปเป็นน้ำน้ำไหลมากลางห่วยท่ามกลางหุ้มห่วยพวนี้น้ำบกขุดได้มันเป็นว่งเป็นร่งแห้งเป็นแห้งมันบ้น้บิไหลดีน้ำนาเลื่อมันน้ำปูนนาปูนปูเขา พูดนั่นเองการขบคการชันการันเขาเป้อมฉันได้มากใครสองสามข้ามไหน ม, มันก็อืนทันเนี่ยไม่ได้ไปชันได้มากอะไรนั่นหลานเดินกรมตัวปิลเลยนั่งภานาเป็นหัวต่อไม่มีง้อไม่ม่งวงมันก็บง่งเห็นได้ชัดๆ ว, ว่าเพราะอาหารเลยมันทํำให้ง้อให้ม่วงนี่เป็นข้าวเป่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ชันได้มาก ถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากเลยฉันได้ม า, ากกนอนว่ากขี้เกียจมากพี่เออง่วงง่วงนั่งชาปโปงงานไปหล่ะก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่อยู่งั้นไม่เนี่ยฉันอาหารอย่างนี้ น, นี่แหละมันมันบังคับคนะเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราเราชอบทำเราเขาเราก็ต้องดําเนินตามทำอืมอาหารที่นั้นก็มีนี่นะเราเข้ามาทำมาอย่างนี้เนี่ย เรามหาธรรมมหาธรรมก็ดําเนินตามธรรมเด่นเนี่ยมันบังคับให้เป็นเพราะงั้นถึงอดบ้างอิ่มบ้างดูไปขอให้ใจในสะดวกสบายบางทีมันก็ก็รู้มันชุดมันสิ่หมันแย่ว่าบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอทั้งที่ราคะตัณหามันก็มีอยู่นะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพรรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่า มันเหมือนเป็นพหลานน้อยๆที่มอง์นึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นทัศน์หนึ่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นถ่านไฟดำๆก็เราก็เห็นดูถ่านไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เปลี่ยน มันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกของผมความลุ้มีนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นยันกับพวกปริญญาทั้งหายปริญญาตเรียนต้องขึ้นสมองระบอกนี่บถ้าเป็นภาพ ค, ความจําต้องขึ้นสมองสมองทํางานความจําจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนมีจะบังคับจะให้เรียนมีจะบังคับจะให้เรียนให้จําให้จําจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทํางานเลยยดุติเฉยๆคือสมองไม่ทํางานให้นี่ มันทื่อหมดทีนี้เวลาาภาคปฏิบัตินี่มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนึงวางไงพมันเห็นอยู่นี่ภาพความจํามันอยู่สมองภาพความจริงมันมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางนี่พอจิตทั้งบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาสว่างสวายก็สว่างหลายตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของ อารมณ์ของกิตที่มันเกี่ยวข้องกับกิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี้มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะเออมันก็เห็นได้ชัดที่สุตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอย่ันมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นไม่ชัดทีเดียวมีท่านกล่าวในในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านเก่าเอง อะไรวะผมจำไม่ได้จําได้แต่ครูห้าเคยยังคือจิต น, น, นั่นท่านจิตนั่นเจิตแค่มันอยู่มันิมันอยู่ อ, ย อ, ยองค์หมอกหัวใจอย่างนั้นแปลได้เท่านั้น่นนะมีแปลได้แต่จําบารีไม่ได้นะมันอยู่องค์กลางแล้วอยู่ในอะไรหัวใจเต็มที่อมันของจิตอย่างนั้นอืม คูห้าให้ยังถ้าได้ยันนี่มเข้าใจมีตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปั้งแต่สงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในภายในมันไม่เนยมันรู้ของบนนะมันตรงอยู่ข้างในงกลางนี่กลางจนมัสร้างถึงความสว่างสวไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญา ที่มันเบิกอะไรๆตัวอะไรออกมันก็สว่างสวายอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่กลางกาลางกาลงกางตลอดเลยไม่มีเคยปรากฏ ว, ว่าอยู่บนสมองนอกจากเดือนเห็นไม่ชัดเดือนสมองทํางานจริงๆแต่ของภาวนานนไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่กรงกลางเทียบกับนั่นก็เห็น ก็อีกเป็นศัิ์สทธิพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่ายยีห่ห้าหนอาเทียนสองหนอนน่ น, นมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเทียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเทียนนเจอาหารนีพุ่งแาบนี้ติดฝานั่มันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนลงมันจะไปอะ เห็นได้ชัดที่อ่อนลงอ่อนลงอ่นลงอย่างรวดเร็วแล้วความความรับผิดชอบของส่วนร่างกายต่างๆที่อยู่ในตัวของเราเนี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปลงไปตรงกลางนี่นะความรับผิดชอบของกิตที่ชาติเนี่ยไปตามร่างกายต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทข้างล่างก็เหมือนเรานั่งอยู่เทียงเท้านี่นะโอ้ยเทียงอะไรนะเทียงส้วม เตมแปลกมัไม่ล่มนะักก็มันรู้ตัวอยู่นี่นนมันไม่ได้เผลอ เ, เวลามันโหดเข้ามามันโหดเข้ามากรงกลางนี่ข้างบนพิษะแล้วนนี้ก็ลงมานี่ข้างล่างนั่นก็ขึ้นมานี่มาอยู่ตรงกลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยหมดร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไมก้ก้อนฟืนตาไม่ใช่มันไม่ใช่ ตาบอดแนละ้วมันเลยบอดมันคือฟังจะว่าท่อนไม้ทัอนฟืนไปแล้วตาจริงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไมนมีคําคําว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดแเราเร า, เราบอดเห่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำํดำๆหูของเราล้วอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเียอื้ออืของมันเสียงอื้อ อ, อือันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมด นั่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสของมันนั่นแหะมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกขเวทนาในร่างกายที่ที่มันมันอ่อนลงมาตอนมันจะตายมันที่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสา ห, หัสตอนนั่นแ่ะมันอ่อนตัวนงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไป พออ่อนตัลงมันก็เข้าไปจุดกลางมันแล้วประดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นตั้งแต่นเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั่นเราก็พูดไม้ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราเราก็รู้มันผ่องใส แต่ก่อนรู้เป็นทุระย ะ, ระยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคําว่าผอ่ อ, องใสมีเศร้าหมองมันก็ไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายไม่เนี่ยก็เลื่อยมาจนกทั่งทุวันนี้แหละแต่ว่าอะไรไฟไปเหรอันนี้พอพอมันมีศัพต์ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแตกดี่นะสังขารมันยังใช้ได้่นะความปุ่งของจิตยันใช้ไ ด, ด้อยู่ทั้งทั้งที่ ตาหูมูกนกายทุกส่วนมันเป็นท่านไม้ท่านปืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ ท, ทําไมสังขารนี้ก็อยู่ในวงขันถ้ามันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่างถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไห น, นก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนมันหมดข้อหมายไปแล้วแต่ความปรุงอันนี้มันเรี่องกับจิตจังว่านะเพราะ ปรุงมามันเป็นออกมาจากจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตกระถูกมันปุุงมันว่าหนึ่งจะไปเดี๋นี้เธอเหร ะ, ะตอนนั้นตอนมันมันมั น, มนหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเปิดอย่งเปอร์เซ็นเดียวรเรียกว่าเก้าจุดเก้าเปรเซน็นเก้าเข้ามาถึงเก้าเก้าเ็นพอร้อยปเปอร์เ็นก็ดิบพับออกเลยประโยชน์หลังประโยชนสุดท้ายบอกจิตเคลื่อนออกนี้แต่นี่ยังไม่เคลื่อนแล้วมันปรุงได้ ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่ศักดิ์วะลูร่างกายก็หมดความหมายเลียนาก็หมดความหมายมีอะไรเหลือแล้วก็เหลือแต่ศักดิ์วะลูแล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่านี้จะไปหรือหงือยเอาไปก็ไปอย่างนั้นน่ะแต่อยู่นะเอาไปก็ไปกําหนดปัาตัวไปอีกเหมือนกับจะเสริอมมันไปน่ะแต่ช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปเมื่อตั้งข่าไปตั้งหน้าไปนง่ายๆนะแต่แล้วมันกลับไปไปสนับสนุนกันถ้าจอดสีเข้าไป ตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุคู่รู้ฉะนั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทําไมแล้วความนาับบิชาของจิตมันซ่านแลก็อีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปท่า น, นี้ก็ขึ้นมาัาง้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพัดออกทั่วสารพัดร่างกายอย่างรวดเร็วเลยเฮ้ยไม่ไปไหนี่ยมันตาจะอยู่ที่วางเนะนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมั้งแปลกเลยนะสั้งขาทั้งตัวนะ แค่นี้พอพอความรู้นี่มันซาดออกไปผูส้สารพานั่งกายแล้วตาก็เริ่มะเริ่ ม, เ ร, มเริ่มรู้มัน้าดต่านะหูก็เริ่มเริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแนะอย่านงะนะนั้นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบหมดแต่ก่อ น, นเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวงานละเก้าสิ่เก้าเปอร์เซ็นต์ถาสมมติว่าจิตมัน ถ้าเป็นอาการอีกสมมุติหนึ่งคือสมมุติทุต่าก็ว่าแสดงอาการสิดท้ายที่เปิดศีลที่ร้อยก็เลยเว่าแยบความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นตายเลยร้อยศีลก็เรียกว่าตายนี่ยนี่ก็ทําให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดี ด, ดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไงมีเหลือเลย ทุกเวทนานะ่ะจะดับหมดทัศตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั่นจะเห็นแคบเย็นว่าเวทนานี้ดับหมดได้กินถึงจะเคลื่อนตัวออกกินตรงนี้เคลื่อนออกละ่ะอันนี้มันไม่รู้อย่างงั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อจริงตัวแล้วไม่รู้ว่าทุกเวทนาเป็นไงมันหมดสติสตังไปเลยนั้นก็มีเยอะทานี้สติแล้วก็อย่างว่านี่ต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกินถึงจะเคลื่อนออก นันหมายถึงการถ่ายถ่ายที่ว่าถ่ายยิดแต่โลกของใจผมนี่ไม่ถึงนั่นน่ะเก้าที่แปดเพียงเก้าแปดเท่านั้นไม่ถึงเก้าที่เก้าเซนตคำว่าเก้าทแปดเป็นไงเราจะพูดได้แค่9ก้าที่แปดเปอร์เซ็นกับร0อยเปอร์เซ็นคือคือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีมันมีจุดที่พูดได้เพีเก้าี่ปดอน 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโลกของใจนี่นะ เวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปมันไปเหนื่อยละละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันปล่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่อาวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนีเป็นยุบตรงกลางคูณนง่ายวมันไม่ปล่อยนี่ที่เรียกว่าเก้าสิบแปดถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงแล้วเป็นเก้าสเก้าอย่างที่ว่ากันการันก็ดี มีโรคหัวใจตร็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพียเต็มที่ลนะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมีตรงนี้ส่วนเราเนี่ยมันปล่อยั้าหมดแต่ก่อนมันมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วนั้นมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวเนี่หมดตัวของมันที่เรียกว่า98 อางั้นแล้วมันับมไม่ได้ผมผมผมไ ม, ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่บกี่เปรเอร์เซ็นต์มัน็นไม่ชัดแต่เพอเก้าสิบเก้ากับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั้นจะเคลื่อนตัวนั่นอะไรไหมอืมกี่ชั่วมงนึ่งสองนอ้นอนใจนะ นอนใจต้องนอนจมนะอันเดียวกันแล้าได้เบาใจกำหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเสี่ยงย่าให้ได้หนักใจกำหมู่เพื่อนซึ่งเป็นเพืนแี้แต่เป็นผู้มาเครื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนยาหยากอย่าให้มากระเทือนกันนะเป็นยาหยาบี่เรียกยาหยาอย่าให้มันออกมาเต้นผ่านในวงพระวงเนม วงปฏิบัติเรามันขา ย, านะยขี้าเกิดนะอุ้ขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาแยงความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตตัวหยาบๆอย่าให้มันออกมาในโรงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็หลุดไม่ได้อย่างนี้ ถ้าเป็นครณีอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะระยะพรเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ใช่อยู่ยลําพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ของผม <c oughs> ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประตารนิสยัยยังไก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์ันเดียวนี่มันอยู่ได้ทำไมยุ่งกับอะไรออกแข้งเข้าทางยังกลมเลยยังกลมบ้าง อะไรบ้างตามภาษาเจ้าของนั่นแหละนั้นสบายอยไม่จําเป็นจริงของผมไม่จะเกี่ยวกับแสกับคนอะไรนะแต่มันหากจำเป็นจะว่าไงเขาก็มาโดยน้ําใจหนึ่งแล้วก็เรียนเห็นน้ําใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลาย่ะเอาหัวใจจ้ของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ปัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลําบากก็ต้องถูไถ่ายเดินไปอย่างที่เป็นมานี่แหละจะว่าไง ไม่ว่าจะประชาชนเดี่ยวเลแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี้ทําไหมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่พระธรรมดาจะรับกันไว้ทาําไมอ่นั่งหนานะแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอท่านทั้งหลายได้เห็นใจที่ผมไี้รับไว้พวก็ก็ใจที่บริสุทธจริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนเพระพูดทีอนน่านตังสอนทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยนะมันหายากนาสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจนะุมขีม่จุมห้างมู่ปปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้ว ไปเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดยังที่เด็กงงขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคําประเภท น, นั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่กูจานมา<ง>ั่งจะไปฟั ง, งนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความดื่ ด, ดื่มจนกระทั่งถึงวันละสุดท้งท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใ จ, จอันนั้ก่อนฮะอันนี้เลอกกันที